สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สามร้อยสามสิบห้าเรื่องความถ่อมและความเยื่อหยิงพี่น้องครับ พ, พระะพรเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในมาระโกบทที่เก้าข้อที่สามสิบแปดจนถึงข้อที่สี่สิบเอ็ดพระธรรมมาระโกบทที่เก้าข้อสามสิแปดจนถึงข้อสี่สิบเอ็ดโปรดฟังพระเจ้า ยอนจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ตามเรามาพระเยซูจึงตรัสว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีผู้ใดจะกระทำมหกิจในนามของเราแล้วอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาจจะกลับพูดประนามเราเพราะว่าผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้น เป็นฝ่ายเราแล้วเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดจเจ้าน้ําถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่มเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคิดผู้นั้นจะขาดบําเหน็จก็หาไมิได้คําสอนในเช้าวันนี้เราเห็นนะครับว่ายอนั้นได้ขัดจังหวะพระเยซูโดยทูลถามพระองค์และเขาทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ประจารย์ ข้าพระองค์และพวกได้เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ตามเรามาคำตอบของพระเยซูเป็นบทเรียนให้สาวกเรียนรู้เรื่องความหยิ่งจองหองซึ่งตรงกันข้ามกับความถ่อมใจครับสองวันมาแล้วเราเรียนเรื่องความถ่อมใจวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับความถ่อมใจ ก็คือความหยิ่งจองของซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคริสเตียนและเป็นสิ่งที่ทำให้มารซาตานซึ่งเดิมเคยเป็นทูตสวรรค์นั้นเมื่อมันเกิดความหยิ่งจองของอยากจะเทียบตัวเองเท่ากับพระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าที่เองมันจึงต้องถูกลงโทษพี่น้องครับเราจะเห็นบทเรียนหลายอย่างในช้าวันนี้ประการแรกก็คือ พระเยซูทรงบอกสาวกว่าผู้ใดที่ทำตามหรือผู้ใดที่ทำการอศัศจรรย์โดยพระนามของพระเยซูเขารับใช้ในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาจะทำได้เราควรจะอนุญาตให้ทำพระเยซูควรจะได้รับอนุญาตให้ทำเสียก่อนใครก็ตามที่ทำตามหรืออ้างพระนามของพระเยซูต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนนะครับ เปเยซูควรที่จะต้องให้พระเยซูอนุญาตเสียก่อนถึงทำได้นะครับแต่พระเยซูกลับตอบว่าเพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้วพี่น้องครับเป็นไปได้ครับที่เหล่าสาวกรู้สึกไม่สบายใจที่ชายคนนี้สามารถขับผีออกในขณะที่บางครั้ง ความพยายามของพวกสาวกเองนั้นไม่เป็นผลและเหนื้ออื่นใดสาวกทั้งสิบสองคนนี้ได้รับสิทธิอำนาจที่จะขับผีแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นที่เชิงภูเขาโฮเรบพวกเขาไม่สามารถทําได้และคนนั้นก็ทูลพระเยซูอย่างจำแจ้งต่อหน้าผู้คนนับร้อยที่ยืนอยู่ที่นั่นพี่น้องครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา เราจะทำอย่างไรเราถูกมอบอำนาจอย่างชัดเจนเราถูกมอบอานาจโดยตรงแต่เราไม่สามารถทำได้กับมีอีกคนหนึ่งไม่ได้ถูกรับมอบอำนาจโดยตรงไม่ได้ถูกแต่งตั้งโดยตรงแต่เพราะเหตุที่เขามีความเชื่อเขาสามารถทำได้ในพระนามของพระเยซู ก็คือเขาขับผีออกได้โดยพระนามของพระเยซูเราควรจะห้ามเขาไหมสาเหตุที่เราควรจะห้ามเขาเพราะอะไรครับหรือสาเหตุที่เราไม่ควรห้ามเขาเพราะอะไรครับพี่น้องแต่ละท่านก็คงจะมีคำตอบหรือเหตุผลที่นำมาเพื่อที่จะกล่าวอ้างยืนยันถึงการตัดสินใจหรือความคิดของตัวเองแต่ให้เรามาดูในความคิด ทัศนคติแบบพระเยซูบ้างพระเยซูพูดคําที่สําคัญที่สุดก็คือเพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้วพี่น้องครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการที่จะมาเป็นพวกของพระเยซูนะครับก็มากกว่าการที่จะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระเยซูนั่นเองคนที่ใกล้ชิด กับพระเยซูหรือใกล้ชิดกับตัวของพระเยซูอาจจะมีความเชื่อน้อยกว่าก็ได้ในที่นี้เป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าการอยู่ใกล้พระเยซูทางกายภาพพี่น้องครับการอยู่ใกล้พระเยซูทางกายภาพก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อความเชื่อ ฝ่ายจิตภาพหรือจิตวิญญาณคาพูดคำนี้น่าคิดนะครับพี่น้องครับการที่คนเราใกล้าศาสนาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้าเข้าใกล้กับกจิตวิญญาณของพระเยซูคนที่เข้าใกล้กับพิธีกรรมก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้าใกล้ติดสนิทกับพระเยซู อย่างแท้จริงแต่คนที่เชื่อพระเยซูและศรัทธาต่างหากครับเขาเป็นพวกเดียวกันกับพระเยซูเขาก็เป็นสาวกของพระเยซูได้เขาก็เป็นคนใกล้ชิดกับพระเยซูได้ที่นี่เราจะเห็นหลักความจริงที่สำคัญอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าการที่คนคนหนึ่งนั้นได้รับมอบอำนาจตำแหน่งหน้าที่ หรือเป็นความรับผิดชอบของเขาอาจจะไม่ได้ทำให้เขาใกล้ชิดกับพระเยซูทางด้านจิตวิญญาณยกตัวอย่างผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาทั้งหลายพี่น้องครับอย่าคิดว่าคนที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเขาจะใกล้ชิดกับพระเยซูมากกว่าคนที่มีความเชื่อมากกว่าคนที่ไม่ได้รับใช้เต็มเวลา ด้วยเหตุนี้เองพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าโดยพ่ออย่างยิ่งศิษยพิบาลเต็มเวลาอย่าทึกทักเอาหรือเมาเอาว่าเรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์เป็นการย้ำเตือนว่าเรานั้นใกล้ชิดกับพระเยซูจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้พี่น้องที่มารับใช้พระเจ้าแม้ว่าจะเป็นค า, ารวาสในวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์อย่างสัตย์ซื่อหรือในแต่ละอาทิตย์ก็มีหลายวัน อย่านึกเอาเหมารวมว่าเราเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเยซูเพราะความเชื่อของเรานั้นอาจจะยังน้อยกว่าอีกหลายๆคนก็ได้เราอย่าเยื่หยิงครับแต่เราต้องทอมใจสํารวจตัวเองเสมอพี่นั่นครับบทเรียนอีกบทหนึ่งในมาระโกบทที่เก้าข้อที่สีสเอ็ดเรารู้ว่าสําคัญเพราะพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่า พี่น้องครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดเอาน้ําถ้วยหนึ่งให้ท่านดื่มเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์ผู้นั้นจะขาดบําเน็จก็หามิได้พระเยซูกํำลังหนุนใจเหล่าสาวกของพระองค์พรงประสงค์ให้พวกเขารู้ว่าหากผู้ใดกระทําการอันแสดงความเอื้อเฟื้อต่อผู้รับใช้หรือต่อสาวกพระเจ้าจะประทานบําเน็จให้แก่คนเหล่านั้น ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกกับเราว่าเป็นสิ่งสําคัญมากครับที่เราจะต้องรับใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าเขามีหน้าที่หนุนใจแต่มีเวลาที่เขาหมดแรงที่เขาท้อใจบ้างเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นผู้รับใช้เราซึ่งเป็นคริสเตียน เราจะต้องช่วยหนุนใจผู้รับใช้ผู้รับใช้ของพระคริสต์ต้องการการหนุนใจหรือไม่คำตอบคือใช่แน่นอนพระเยซูทรงใช้ข้อความนี้ทำให้เราทราบอย่างแจ่มแจ้งถ้าเราไม่ยอมหนุนหนุนใจคนที่รับใช้พระเจ้าอยู่นั้นก็เป็นความยิงเหมือนกันครับเป็นการล ะ, ละเลยเพิกเฉยนะครับ แต่พระเยซูบอกว่าเรื่องนี้เรื่องสําคัญพี่น้องครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งก่อนจะจบในวันนี้มีผู้จัดการแบงก์ที่อเมริกาเป็นแบงก์ใหญ่มากนะครับในเมืองที่ใหญ่มากเขายอมถอมตัวมายกน้ําให้กับศสียพิบาลและผู้รับใช้พระเจ้าที่มาจากเมืองไทยนี่คือตัวอย่างของ การถ่อมใจรับใช้พระเจ้าและคนเหล่านี้นะครับจะขาดบำเหน็จก็มิได้อาเมน